เจ้าเจ้าอย่างนี้นักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามัวหลงแต่ความง่วงเงานอนจงตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธิรวบรวมกำลังใจให้ได้มากที่สุด ที่เราจะได้มาบำเพ็ญเพียรสร้างกุศลเรียกว่ากุศลละจิตเป็นโอกาสน้อยนิดเท่านั้นเช้าเ้าอย่างนี้อากาศเย็นสบายอย่าติดความรู้สึกสบายอย่าติดความรู้สึกเย็น ทุกสิ่งทุกสั่งยึดไม่ได้ชีวิตก็เปรียบสเสมือนสายลมพัดไปก็พัดมาบางทีก็มีลมมาบางทีก็รมพอดีพอดีบางทีก็รมแรงเกินไป ชาวาอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนและทุกท่านจงค่อยๆมองใจของตัวเองเข้าไว้ดังที่หลวงพ่อบอกพยายามมกไปเวียนมาอยู่เสมอการถวายทำของหลวงพ่อพยายามปัดกวาดเช็ดล้างถู ให้กายวาจาใจของท่านทั้งหลายให้มีความสะอาดให้ได้ยพยายามปัดกวาดเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกจนถึงวารตีสุดท้ายก็คือวันนี้ แม้เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนับประเราโชคดีกับสัตว์อื่นหมื่นใดทั้งสิ้นเรามีความรู้หมายจำได้เราจำได้กระทั่งพ่อและแม่ของเราเราจำได้ทั้งพี่ทั้งน้อง เราจำได้ทั้งตระกูลของเราตระกูลพ่อตระกูลแม่ปู่ย่าตายายเราจำได้ทั้งลูกหลานของเราแล้ว่ามีความรู้หมายจำมากที่สุดกว่าสัตว์ใดๆทั้งสิ้น สัตว์อื่นๆนั้นมีความรู้หมายจําไม่กี่วันกี่เวลาเท่านั้นหมูหมากาไก่ช้างมมาวัวควายกุ้งหอยปูป่าก็มีความรู้หมายจําในระยะสั้นๆพ่อแม่บางทีก็จําโรคไม่ได้ โรคจำพ่อแม่ไม่ได้ในระยะเวลาที่สั้นนิดน้อยเดียวมนุษย์นั้นมีสัญญายาวนานมากจึงมีความติดมัดผูกพันมัดอย่างแน่นหนาเหมือนสัตว์ใหญ่ก็คือช้างช้างก็มีความรู้หมายจำ นานกว่าสัตว์อื่นหมื่นใดมีความรักมีความปูกพันดุดดังแม่รักลูกช้างก็มีอายุไขเป็นร้อยปีเช่นเดียวกับเราเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่เป็นสัตว์ที่มีมันสมองมากที่สุด แต่ก็มีความรู้หมายจำเนี่ยยังไม่เท่ากับมนุษย์เพราะฉะนั้นกว่าเราจะมีความรู้หมายจำได้ก็ต้องบาเพ็ญเพียรกว่าจะพ้นจากสัตว์ที่มีสัญญาความรู้หมายจำเป็นหลายสัตว์ ก็ทีเดียวเราอาจจะเป็นกุ้งหอยปูปลาที่เกิดมาจากทะเลที่ตกอยู่ในอาบายโฟมิที่เมรู้ไม่จําไม่ได้เราอาจจะเป็นหมูหมากาไก่เราก็จําไม่ได้เป็นระยะเวลานานพอสมควรเวียนว่าย เวียนวกไปวกมาเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นมแมลงบ้างสุดแท้แต่ความชั่วช้าความหยาบของสภาวะกิเลสทำให้จิตใจมัวหมองตกล่นอยู่ในอบายภิบางทีเราก็เป็นเปต โตรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานตามสภาพของกรรมที่เป็นเบืออเเบ้องต้นก็คือสัญญาเบื้องต้นก็คือกําเนิดนั่นเองเบื้องต้นเราก็จุดติการจุดติของเรานั้นก็จุดติตามสภาพกรรม ว่าเรานั้นจะกากกรรมที่ไปจุดติตรงไหนตามสภาวะคุณงามความดีเราเราไปทําคุณงามความดีไว้เรียกว่ามีสัญญาแห่งคุณงามความดีก็จะเจอเจอคนดีที่ไปจุดติก็คือพ่อแม่เป็นคนดีมี ความเป็นวาดวงเรียกว่าวงตระกูลที่ดีมีการศึกษามีทรัพย์ภายนอกก็คือแก้วแหวนเงินทองตามสภาวะกรรมที่ก่อกำเนิดหรือเรียกว่าชาติกำเนิดมนุษย์มนุษย์หนอ ไม่ว่าจะนอเนื้อชาติกำเนิดตามสภาพแผงกรรมใดๆทั้งสิน้นหลวงพ่อพูดอย่างนี้คนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีการฝึกจิตที่ดีแล้วสัญญาคือความรู้หมายจำในพระธรรมคำสั่งสอนยอมยกอุปมาออปไมัย มาหยิบยกให้เห็นภาพให้เห็นแก่นแท้ของความเป็นจริงคนที่มาใหม่ก็อาจจะคิดร่วงรู้ไม่เท่าทันนิดหนึ่งว่าโอ้ n อทำไมหลวงพ่อท่านพูดเราไม่เห็นเข้าใจเลยอง์สมาสมุทธเจ้าว่าสัตว์ที่ฝุก กฝึกมาดีแล้วจำนานแล้วก็จะมีความรู้หมายจำในการใช้หรือภาชนะต่างๆใดๆที่เราเคยใช้แล้วย่อมมีความจำนานย่อมรู้ว่าอุปกรณ์นั้นๆควรจะใช้กับสิ่งใดเช่นโค้ จะต้องใช้กระสากเพราะมีกระทบกระแทกกระทันและโคโกระสากเนี่ยมีไว้ทำอะไรเอาไว้ตำสิ่งที่ยาบให้เป็นละเอียด <IS> ก็เหมือนคำพูดที่อุปมาอปมุปไมยฉันใดก็ฉันนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย ไฟที่เขฝึกฝึกให้ไถนาควายก็รู้จักว่าที่ใช้อุปรกรณ์สิ่งใดที่จะใช้กับควายทำอย่างไรถึงจะไถไร่ไถนาให้ได้ก็ต้องจับควายมาฝึกต้องหาอุปรกรณ์ที่มันใช้กับไวา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ยอมมีสัญญาแห่งสัญญาลักษ์เรียกว่าสัญญาลักษ์เรียกว่าความรักนั่นเองที่มันจะใช้กับสิ่งนั้นๆที่พึงปรารถนาก็เหมือนกับความรักถ้าเราปรารถนารัก แล้วกดดันไม่ได้เกิดสมปรารถนาก็เรียกว่าอุปกรณ์ที่เราตัดเตรียมไว้ก็ไร้ปัญญาไร้มูลค่าทันทีความรักจากพ่อและแม่ลูกผูกไว้เป็นสัญญาแห่งความแน่นแฟนโดยมากพ่อแม่จะมีสัญญา มัดรัดตึงกับโรคนั้นมากที่สุดสัตว์ใดๆก็ทั้งหลายที่เรามองเห็นในชาตินี้เขาเรียกว่าปัจจุบันชาติชาติที่เรามองเห็นกับชาติที่เรามองไม่เห็นแล้วก็อนาคตชาติก็คืออดีตปัจจุบัน แล้วก็อนาคตนั่นเองอดีตที่เราเกิดมาเพราะตามสภาพกรรมกรรมเป็นเครื่องชักจูงกรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งวันนี้ค่อยๆแก่งฝวกเราทั้งหลายเมื่อวานฝึกจนเบอร์ไปหมดแล้ววันนี้หลวงพ่อก็ค่อยๆใช้ปัญญา วันนี้พูดถึงปัญญาร่วนๆก็ให้เราคิดให้เรานึกให้เราปรุงแต่งหาเหตุค่อยๆพูดหาเหตุยกตัวอย่างค่อยๆพูดหาเหตุหลายๆอย่างให้รู้ความหมายพอเราฝึกกันมาจนถึงปัญญาบารามีแล้ว ปญญาบารมีปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารก็คือตัวเราเราก็ฝึกสมถะเมื่อมีสมถะก็เข้าวิปัสนาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมก็หมายถึงว่ากากรรมนั่นเองกากรรมวกไปเวียนมา การพิจารณากายในกายนั่นเองอยู่เป็นเป็นเนืองนิดตามสภาวะที่เราถูกฝึกมากว่าเรานั้นจะมาถึงตรงนี้ได้เราก็ถูกกิเลสเนี่ยมันใช้เยี่ยงหัวแย่ยงควายกิเลสชักจูงจิตใจของเราเนี่ยให้ปรุงแต่ง เกิดกิริยาต่างๆนานาทําให้เราเสียความจริตของความเป็นมนุษย์เรียกว่าเสียสติคนที่เสียสติก็คือคนที่วิกลจริตนั่นเองควบคุมอารมณ์ของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ไปกากำเยี่ยงวัวเยี่ยงควายเหมือนควายไถนา ไถนาทับตายกว่าจะได้แล้วก็ามาได้กินข้าวควายที่บ้านไหนเมืองไหนบ้างที่เขาหุงข้าวเลี้ยงควายกันบ้านไหนเมืองไหนบ้างที่เขาเลี้ยงควายแล้วมันไปไถนาแล้วก็เอาข้าวมาเลี้ยงเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกเ็าเรียกว่าฝ่ายเลี้ยงคน คนเลี้ยงฝ่ายมีบ้านไหนเมืองไหนบ้างที่เลี้ยงหรือทำประโยชน์สิ่งใดแล้วไม่หวังสิ่งประโยชน์ตอบแทนบ้างนานาประเทศที่ทำเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีทูตมีตัวแทนของประเทศแต่ละประเทศ มาประจําอยู่แต่ละประเทศเพื่อดูความเคลื่อนไหวจะได้ประกอบหาก ำ, รกำไรกําไรซึ่งกันและกันทั้งนั้นก็เปรียบเสมือนหญิงกับชายแต่งงานกันก็เป็นโทษแห่งความตายซึ่งกันและกันก็เปรียบเสมือนควายไถนาและไม่ได้กินข้าว ก็จ้างคนอื่นมาอยู่บ้านเราเพื่อจะได้มามองเห็นมารักมาขาโมยรู้เห็นว่าในบ้านเรานั้นมันมีอะไรบ้างที่จะได้เป็นยังประโยชน์ให้กับบ้านเขาเพราะฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยมนุษย์คิดว่าตัวเองฉลาดมากมาย เป็นศาสตดาจารย์เป็นด็อกเตอร์โง่เยี่ยงควายด้วยกันทั้งนั้นรวมทั้งหลวงพ่อด้วยหากไม่พบองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตเราโอโนอเดินน้ำรมไฟ เราก็เห็นดินยึดมั่นถือมั่นแผ่นดินน้ำเราก็ยึดมั่นถือมัน่นเอามาดื่มเอามากินเอามาใช้ประโยชน์รมก็เช่นเดียวกันเราก็เอารมมาใช้ประโยชน์เอามาพัดเอามาวีเอามาพ่นเอามาทำความร้อนเนี่ยเอารมเป่าให้เย็น แสงอาทิตย์มันก็ทำให้สว่างทำให้ร้อนเรามองเห็นแผ่นดินเห็นน้ำเห็นลมแต่มองไม่เห็นอากาศอากาศที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์อากาศที่เป็นประโยชน์ก็คือออกซิเจนเราจะต้องถูกฝึกต้องเรียนรู้ ต้องต้องมีพื้นฐานมาเริ่มงงแล้วแต่คนที่ถูกฝึกมาหลายลาตีก็เริ่มคิดตามหลวงพ่อได้เราฝึกกายจนรู้สึกว่าเรานั่งเนี่ยได้นานผิดปกติฝึกสติจนไม่ริมตัวเริมตน จนไม่ง่วงเงาเหงานอนวันแรกๆเราฝึกเราก็หลับวันแรกๆเราก็ปวดเมื่อยไปหมดวันต่อมาต่อมาเราก็รู้สึกง่วงน้อยลงวันต่อมาต่อมาเราก็รู้สึกว่า ใจที่เราเคยฟุ้งซ่านเราก็รู้สึกฟุ้งซ่านน้อยลงคิดน้อยลงวันต่อมาต่อมาที่เราขี้เกียจในการทำวัดประพฤติปฏิบัติเราก็รู้สึกว่าอยากมาทำวัดในขณะวันแรกกับวันนี้เนี่ยนั ปฏิบัติทั้งหลายค่อยๆนึกดูาอาการโอ้เนอเออมันจริงไว้มันจริงแท้แน่นอนที่มองเห็นว่าวันแรกกับวันนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามเลยการที่เราไม่ฝึกตัวเองอยู่ด้วยความประมาณ ไม่รู้เวลาเวลาของตัวเองเวลาที่ยังประโยชน์ให้กับตนเองเรากับไม่ใช่ประโยชน์มันให้เป็นตอนใดขณะที่เราไม่ใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์กลับไปฝึกที่สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่ต่างกั บ, บวัวกับควายเพราะฉะนั้น โรงพ่อนั้นจะไม่ย้อนลงไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าทำอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นให้พ้นจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ถึงก็คือรักความชัว่วมาประกอบกรรมดีด้วยวาระ ก, กิจทั้งกายและใจ ก็คือปรุงแต่งในทางที่ดีนั่นเองยิ้มเข้าไว้ในใจมองเห็นบุญก็คือความวา่างเปล่าเราจะทำใจของเราเนี่ยให้ว้าวุ่นทางใจทำไมเราจะยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกเรียกว่าสัญญาก็คือความรู้หมายจำ สัตว์อื่นมันได้จำได้ยาวนานเท่ากับมนุษย์หาไม่ได้เรามีสัญญาจดจำคำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้สอนไว้แล้วก็เพ่งพินิษย์เข้าไปที่ใจความสำเร็จก็คืออยู่ที่ใจความไม่สำเร็จก็คือความทอแท้ใจ สติสัญญาไม่มากเท่าไรเพราะว่าไม่รวบรวมกําลังใจเข็มแข็งชนะกิเลสความคิดความฟาุ้งซ่านความที่ไม่จริงสิ่งที่ยึดไม่ได้ความสุขก็ยังยึดไม่ได้เราจะไปยึดอะไรอีกความทุกข์เราก็ยึดไม่ได้ เราจะไปยึดทุกไว้ทำไมอีกเข้าไปในใจรึกมองให้ใจใสเพ่งพินิษฐ์พิจารณาให้เล็กสุดดุดดังปลายเข็มเรียกว่าปัญญาที่มันแหลมปักแทงเข้าไปในกีเดศแฝงเข้าไปจิตใต้สำนึกก็คือใจ แก่งใจนี้ให้มันแรกเป็นแสงนิดเดียวเมื่อรึตรงไปเนี่ยเราจะติดอยู่กายใจทำไมจะติดแต่ความรู้สึกวันนั้นวันนี้เหมือนการถวายทำของหลวงพอ่อเมื่อวานนี้ยังไปทะรุปโปก่งปกเลยวันนี้แก้งพูดให้เราไปอวกไปเวียนมา คิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้ชักจูงไปสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เราสนใจในคำพูดแต่ถ้าหากเราเป็นไองโงอ่ยิโง่ไองั่งยิงัง่งรากเงาแห่งความงโง่เราก็คิดปรุงแต่งตามอารมณ์เหมือนเดิมลืมสัญญาที่หลวงพ่อพูดสัญญา ปัญญาก็คือความรู้จดจำก็คือสติที่รู้ตั้งมั่นมีสติปัญญาที่หลวงพ่อได้สอนไว้ตั้งแต่ต้นด่งลงไปเหมือนกับปลายเข็มที่แหลมรึกลงไปในใจก็คือเห็นแสงที่มันนิดลงไปวางใจทิ้งใจสุขยึดไม่ได้ เวทนาทางกายก็ยึดไม่ได้เวทนาทางใจที่เรานึกไม่ได้คิดไม่ได้ก็ทำเป็นเฉยอุเบกขาบาลามีการที่จะทำให้จิตใจอ่อนโยนก็ยิ้มก็แวกไม่ติดใจลังเลสงสัยว่ากายวิญญาณกับจิตวิญญาณ แยกแยะให้เห็นเป็นสัตว์เป็นส่วนอุปมาอุปมายให้เห็นสติสติก็คือความรู้ตัวเชี่ยวชาญในธรรมธะก็คือการพิจารณาตัวตนของตัวเองว่าตัวนั้นมันเป็นแค่สมมตุติแค่ธาตุดินน้ำลมไฟประกอบด้วยธาตุทั้งห้า รวมทั้งอากาศสาตธาลมที่พัดวีมาถูกต้องเนื้อต้องกายเราที่มีความรู้สึกหนาวเย็นร้อนเจ็บปวดก็แค่สิ่งสมมุติทางกายเรียกว่ากายกรรมจิตที่คิดเป็นทุกข์ไม่เข้าใจไม่สบายใจเรียกว่ามโนกรรมเสียงที่ได้ยินทำให้เรานั้น เกิดความสุขบ้างความทุกบ้างสิ่งใดที่เราพึงพอใจปัตตนาได้ยินเสียงนั้นและไม่สมปัตตนาเกิดความทุกเรียกววจีกรรมทุกอย่างทั้งสามทางเนี่ยเราก็ยึดไว้ไม่ได้ปัตถนาความจริงไม่ได้สติเท่านั้น ตัวเราเท่านั้นที่จะยึดและมองได้เห็นได้รู้ได้ตามความที่เราฝึกมาตั้งแต่วันแรกบุคคลที่มาวันนี้เป็นวันแรกก็ะจะรู้สึกมึนงงในความที่หลวงพ่อพูดอยู่แต่คนที่ฝึกมาตั้งแต่วันแรกเขาเดินทางไกลไปแล้ว ท่านทั้งหลายที่มาใหม่อย่าได้เสียใจพยายามมองใจของตัวเองนั้นให้อยู่กับเสียงของหลวงพ่อพยายามนั่งดิ่งลงไปอยู่ในกลมที่เขาฝึกรีแล้วเราที่นั่งรวมอยู่ก็รากจูงกันไปจนได้แหละอย่าไปคิดว่าโอ้เนอะ ทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำไมหลวงพ่อไม่เห็นใจเราเรามาฝึกใหม่ใหม่ๆเก่าๆนี่ยึดไม่ได้คนเก่าอาจจะฝึกแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยก็ได้ดุดดังพุทธพจน์ขององค์สมมาสอมพุทธเจ้าวาจิตของเรานั้น ถ้าเข้าสู่สภาวะพระอริยสงฆ์อริยเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจิต ด, ดิ่งดับที่สุดดับไม่มีเชื่อเรียกว่าพระอรหันต์ในวาระที่หายใจเข้าหายใจออกช่วงวูบเท่านั้นเองแต่เราไม่เคยถูกฝึกเราไม่รู้ว่าอารมณ์ของพระอรหันต์นั้น เป็นเช่นใดช่วงช้างกระดิกหูงูแรบดิ้นเราก็สิ้นอสวะกิเลตเรียกว่าขึ้นบ้านใหญ่มองเห็นบ้านเล็กเห็นแก้วแหวนเงินทองทึงจะรู้ว่าอันนี้คือแก้วอันนี้คือเงินอันนี้คือทองแต่มันยึดไม่ได้เลยทั้งบ้านและแก้วแหวนเงินทอง ก็คืออารมณ์ปรุงแต่งของเรานัเนีน่ะยึดไม่ได้ในสภาวะที่เราฝึกสภาวะจิตขึ้นอยู่สู่สภาวะไร้กิเลสไรสิ่งมัวหมองปัญญาอันบริสุทธิ์เกิเข้าสู่สภาวะในขณะจิตของท่านเรียกว่าในขณะจิตส่วช้างกระเดกหูงูแรบริ้น ท่านอาจจะเป็นพระอรหันต์สำเร็จไปแล้วตามสภาพตามสภาวะที่สิ้นกิเลสเป็นสมุจเจตชั่วแว บ, บเดียวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรานั้นก็อาจจะคิดว่าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วทำไมเราไม่ร่วงรู้สภาวะ ที่เหมือนเราอ่านหนังสือแก่งพูดให้เราชักจูงไปอีกและแก่งพูดให้เราวกวนไปอีกและอุเบกขามารมีวางเฉยได้ยินก็สัตว์ได้ยินหาเหตุหาผลพิจารณาด้วยสติปัญญาเพ่งพินิษพิจไปที่สติสติคือความรู้ตัวรู้ตนว่า เรากำลังฝึกอยู่หลวงพ่อพยายามชักจูงขัดแย้งสภาวะที่ท่านทั้งหลายกำลังดิ่งลงไปถ้าท่านสนใจสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดไปเวียนมาก็เป็นการพาสติพาจิตของเราเนี่ยให้ก่อเกิดปัญญาแต่เรามีสติฝึกอย่างแน่น แฟนดีแล้วไม่วาดวันต่อคำพูดใดๆทั้งสิน้นดิ่งเข้าไปมองเห็นจิตของเราเนี่ยเล็กลงไปในขณะที่เราเห็นจิตดิ่งเล็กลงไปเรารู้สึกตัวเราเบารู้สึกมันเหมือนลอยๆเบ า, บา ร่างกายเรารู้สึกเหมือนจะโยกโคลนไปงนเอียงเบาร่างกายเราเหมือนเป็นเนบจารู้สึกร่างกายเราดิ่งลงไปจะเจ็บก็ไม่เจ็บจะปวดก็ไม่ปวดเพราะจิตใจเรานั้นไม่มาผาวงยึดมันถึงมันกับความรู้สึกเหล่านี้ พอเราไม่ยึดติดถือมั่นต่อความเวทนาทุกข์พราเรายึดมันไม่ได้จิตก็รู้สึกดิ่งหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจรู้สึกอ่อนราแต่ร่างกายเราหายใจเป็นปกติแสดงว่ากายวิญญาณกับจิตวิญญาณเริ่มละเอียดอ่อนเริ่มแยกแตก ออกจากกันด้วยสติมีความรู้อยู่ในองค์ภาวนาจําได้ไหมว่าหลวงพ่อสอนเมื่อคืนสอนจนเบอร์ก็มอดแล้ววันนี้ไม่เบอร์ก็บ้าแหละจะบ้าได้อย่างไรจะวิกลเจริตได้อย่างไรเพราะหลวงพ่อค่อยๆประคองแสงก็ยึดไม่ได้ เสียงก็ยึดไม่ได้สภาวะที่เกิดขึ้นเราก็ยึดลังเลสงสัยไว้ไม่ได้เดินหน้าตลอดไปมองแวะหายใจเข้าพูดหายใจออกทอยิ้มมีความรู้สึกเป็นหนึ่งนิพพา น, นาสุขขังเมื่อวานนี้เราเข้า ดับไม่มีเชื้อเรียกว่ามรานุสติกายก็ตายไปแล้วจากความรู้สึกของเรารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องที่มีความรู้สึกร้อนเย็นหนาวเจ็บปวดเมื่อยตายจากความรู้สึกทางจิตไม่รับรู้แล้วอย่าไปสนใจนั่นเองไม่ลังเลสงสัยตามที่หลวงพอ่อ บอกเมื่อวานจับไว้ที่ใจก็คือสติยิ้มไว้ดิ่งเข้าไปรึกเข้าไปเมื่อจิตมันดิ่งแล้วพิจารณามรณานุสติว่าโอหนอไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นไดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่อารมณ์ปรุงแต่ง เกิดขึ้นดับไม่ได้ก็ฟุ้งซ่านคิดไปคิดมามันเป็นแค่สมมุติเท่านั้นเองความรักความเกลียดเราไปยึดมัน่นถือมั่นมันเองความสมปัฒถนาในแก้วแหวนเงินทองเราก็ไฟฟ้าหาเหนื่อยยากแต่ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ ในขณาดที่ดับสลายก็คือความตายการเกิดเกิดเพราะกรรมกรรมก็คือกรรมระหว่างพ่อแม่เกิดกรรมมาตัญหาจึงสร้างเผ่าพันธุ์ให้เราเกิดตามสภาพแ่งกรรมเรียกว่ากายกรรมกายกรรมก็คือความสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ความสวยงาม ความที่เป็นรูปหรอเรียกว่ารูปประธรรมนามธรรมดาวรังเกิดที่ครอบครัวที่มีขี้เลเราก็จะรูปงามรูปสวยไม่ได้เพราะมีกายกรรมเรียกว่ากายกรรมเราเกิดที่คนได้มีมีความรู้เกิดเป็นตะกูลที่เสียงไม่ดีไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักเทศพูดจา ภาษาทะของความเป็นคนไม่มีวจีไพรเลาะเกิดมาตั้งเห็นแต่พ่อแม่ทะเลาะขัดแย้งพี่น้องทะเลาะกัดกันตีกันพูดแต่คำหยาบฝึกมาตั้งแต่ต้นเรียก ว, ว, ว่าวจีกรรมวโนคือทางใจบีบคั้นจิตใจเรามาตลอดคนน้นก็เอากิเลสมาใส่เราด่าว่าด้วยวจีกรรมที่ไม่ไพรเลาะ ใช้เราเยี่ยงวัวเยี่ยงไฟวโนใจเราก็คือคิดเสียอกเสียใจร้องไห้มาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เห็นสมหวังเลยไม่เห็นสมปรารถนาเลยไม่เห็นยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่ต้นเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปก็คือเรื่องราวฟุ้งซ่านต่างๆก็คือจิตที่ปรุงแต่ง อารมณ์ที่ปรุงแต่งก็เปรียบเสมือนลมที่มาทุกทิศทุกทางวันไหนเป็นพายุเป็นโซนร้อนบ้างวันไหนหนาวเหน็บเจ็บใจรู้สึกเย็นสบายบ้างผ่อนคลายไปตามผาภาวะของหูตากิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ยิ้มก็แว้กายกรรมก็ยึดไม่ได้ ปจีกรรมคำพูดถ้าไม่มีสติก็เชื่อไม่ได้ความจริงก็คือสัจธรรมสัจจ์ ก, ก็คือความจริงตามที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกท่านขัดเกลาอบรมว่าจิตที่มันวกวนเวียนวนยึดมั่นถือมัน่นต่อความโลภความอยากได้เนี่ยก็ทําให้เราเหนื่อยทั้งกายและใจทั้งวาจา เหมือนคนที่เป็นครูเนี่ยพยายามแหกปากสอนลูกศิษย์ทั้งมือทั้งเท้าเดินไปใช้แปรงใช้ไม้มันทันใช้ดินสอนปากกาใช้คำพูดยกตัวอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เด็กเนี่ยเรียนรู้บวกรบคูณหารครูก็แค่ได้เศษกระดาษเอาไป ครูก็ได้สมมติว่าเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ครูก็สมมติว่าเป็นอาจารย์ขณาจารย์ครูก็มีความทุกข์ขนาดสอนเราแหกปากตั้งแต่เช้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงมือก็เขียนไปยกตัวอย่างไป ก็ได้แค่กระดาษเอาไปเล็กข้าวน้ำเอาไปซื้อแก้วแหวนเงินทองเดินไปเดินมาเที่ยวกันไปเที่ยวกันมาซื้อรถซื้อราซื้อบ้านครูก็แต่งงานมีทุกข์กับสามีภรรยาครูก็มีลูกลูกก็จะต้องถูกคนอื่นเขาขัดเราอบรมสั่งสอน ฉันได้กระฉันนั้นสิงสมมติเวียนไปวกมาไม่แตกต่างกับชีวิตเราเลยครูก็แก่ชราท้ายสุดครูก็จะต้องดับสลายก็คือตายไปหมอก็เช่นเดียวกันคุณหมอก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บพิสูจน์วิเคราะห์ หาทางที่ป้องกันโรครักษาโรคห้หายแต่หมอบางอย่างก็รักษาชีวิตตัวเองไว้ไม่ได้หมอก็ตายไปจากโรคนี้เราก็ลงมาคิดถึงว่าโอ้เนอะแต่เราไม่มีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะ ร, รู้จักไหมว่าคำว่าวัาจีกรรมจะแก้ไขอย่างไรบ้าง มโนกรรมเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรบ้างกายกรรมเนี่ยมันเกิดอย่างไรเรียกว่ากายกรรมคนที่ขาดสติขาดปัญญาบานก็อยากจนหาทรัพย์สินไม่ได้เลี้ยงดูกันด้วยการด่าว่าเคี่ยนตีอุปมาอุปมยัยความเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้น เหมือนนักปฏิบัติเลยเมื่อเรามาประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่เกี่ยวเนื่องไม่พยายามฝืนใจเห็นไหมฝืนใจฝืนต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะมันยึดมันถือมันไม่ได้แต่เราถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กจนโตเพิ่งจะเริ่มมาฝืนเนี่ย เรียกว่าฝืดเคืองเนี่ยขุนเคืองมาตั้งนานแต่เราจะไม่ขุนเคืองและจะไม่ฝืนเคืองจะไม่คล้อยตามกิเลสต่างๆความรู้สึกเราก็รู้สึกอึดอัดลังเลตั้งแต่วันแรกรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายกาย เมือนเราทานอาหารที่ไม่ถูกปากถูกรถเราก็ฝืนเขี้ยวฝืนเกืนเพราะว่ามันหิวในขณะที่เราอิ่มแล้วเราก็ฝืนเกืนฝืนเคี้ยวไม่ได้ชั้นใดก็บฉันนั้นถ้าเราปัรจนาพึงพอใจรู้สึกดีจะก็แค่สมมุติอารมณ์คิดว่ามันดีแต่เวลาถ่ายมันก็เป็นขี้เดือวกันทั้งนั้น จะกินอาหารดีอาหารถูกปากไมู่กปากมัน ก, ก็มีกินเหม็นทั้งนั้นฉันใดก็ฉันนั้นจะทำกรรมดีต่อหน้าและลับหลังมันก็ต้องอยุติเกินกลับมาหาเราเรียกว่าทำฉันใดก็ใด้ฉันนั้นดุดดังองค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า พืช เ, เช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นคิดอย่างไรคิดดีก็รู้สึกว่าไม่เป็นทุกข์เพราะเราคิดดีปรารถนาดีแต่คิดชั่วทำชั่วผิดทำานองกองทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นทุกข์ก็ะจะดองเดือดร้อนนอร้อนใจไม่สบายใจกับผู้พบเห็น และผู้กระทำผิดฉันใดก็ฉันนั้นค่อยๆ ค, คิดค่อยๆตรึกตรองหาเหตุหาผลให้ได้รู้ตัวรู้ตนแล้วนี่ที่หลวงพ่อสอนว่าอะไรคือมนุษย์สมบัติทำวาระจิตใ ห, ให้หลุดพ้นจากเปตรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเข้าสภาวะถึง กำหนดจิตมุ่งเน้นด้วยเมตตาละความชั่วประกอบกรรมดีก็คือการสัมรวมทางกายวาจาใจให้ถึงพร้อมเรียกว่าศีลเมื่อเรามีศีลแล้วก็ประกอบกรรมดีและเพระพุทธเจ้าว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันดับแรกห้ามรักขมโมย ห้ามผิดในการรูปเมียเขาห้ามเดิมโุลาของมืนเมาหลายหลายอย่างแค่ห้าข้อเราก็เอาพึงปฏิบัติในขณะที่เราเป็นคาราวาดสามเณรแม่จีพระคุณเจ้าก็มีวาระสินที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นมากขึ้นพระคุณเจ้าก็สองรอยยี่สิบเจ็ด สามเณรกสินสนะิบเนี่ยสิบข้อแม่ชีกสินแปดนะแปดข้อรัดดันกันไปราวาสก็ห้าข้อมีกฎมีข้อบังคับมีข้อประพฤติวัดปฏิบัติตนแต่ถ้าเราไม่รักษากฎระเบียบข้อบังคับ บาะคับตัวตนให้ได้เราก็ผิดศีลเราก็ผิดวาจานั่นเองวัจจิจํวจจิกรรมก็เกิดขึ้นมโนกรรมก็ตามมาก็คิดฟุงส่านปรุงแต่งไม่สบายใจเหมือนพระคุณเจ้าไม่ประพฤติ ด, ดีประกอบกรรมดีก็ไม่ต่างกับคาววะ อย่างร่มหลมต่อการเวลาอย่างกินอย่างนอนพักผ่อนกายายังแอบกินแอบรักแอบขโมยก็เช่นเดียวฉันใดก็ฉันนั้นกายมันแค่สมมุติจิตก็ไม่ต่างกับคารวะฉันใดก็ฉันนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายราฏีนี้เป็นราฏีสุดท้าย ก็คือเช้านี้เป็นเช้าสุดท้ายท่านทั้งหลายคงฝึกมาหลายวันแล้วหลวงพ่อก็พยายามสอนเราจนเป็นถึงพระ อ, อริยสงฆ์อริยเจ้าพระปัจเจพระอรหันตตาเจ้าพระอรหัน์ก็คือหลุดทนหลุดพ้นจากความชั่วยามสติมั่นคง มีใจเป็นหนึ่งดับไม่มีเชื่อเรียกวานิพานดับก็คือไม่มีความรู้สึกหนาวร้อนไม่มีความรู้สึกยินดีพอใจต่อสภาวะที่เกิดขึ้นอารมณ์ใดใดแค่ปรุงแต่งแสงสีเสียงสัมผัสถูกต้องก็ยึดไม่ได้ถือไม่ได้วางใจให้เป็นหนึ่ง ในขณะที่หายใจเข้าในขณะที่หายใจออกก็คลายความชั่วออกไปใช้สติใช้ปัญญาคิดมองเห็นด้วยใจเขาเรียกว่าตาในตาในก็หมายถึงว่าสภาวะจิตรู้แจง้งนนเห็นจริงอยู่ภายในไม่จำเป็นที่จะต้อง ไปพูดไปคุยไปบอกใครเรารู้ตัวเรามีสติมั่นคงมองเห็นกายในกายพิจารณากายในกายเรียกว่าตาในเรียกว่าสมถะวิปัสนาก็คือปัญญาปัญญาคือความร่วงรู้ในกองสังขารก็รู้เราไปหมดว่าโอ้เนาะเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ ประกอบด้วยรูปนามชิ้นส่วนของกระดูกอันนี้แขนอันนี้ขาอันนี้ตาหูจมูกลิ้นอันนี้คือกายอันนี้คือใจกายวิญญาณคืออะไรจิตวิญญาณคืออะไรหลวงพ่อได้บอกอย่างละเอียดสรุปง่ายๆว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยทั้งคีเ ย, ยลลำไส้ตับปอดเนี่ย หลวงพ่อได้บอกไปหมดแล้วเรื่องของสมถะเราก็เข้าใจแล้วเรื่องของวิปัสนาเราก็เข้าใจแล้วเราเข้าสู่สภาวะอารมณ์ของเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ให้ละจนมาเป็นมนุษย์สมบัติอารมณ์ของเทวดาเทพอารมณ์ของเทพ เทพคือเป็นอย่างไรเราก็รู้แล้วเทวดาอารมณ์ของเทวดาเราก็รู้แล้วเมื่อมีเทพเทวดาอารมณ์ของผมผมก็คือผมวิหารสี่คนมีวาราจิตถึงขั้นผมเนี่ยก็มีเมตตาการุณามุติตาอุบเบกขา จิตเราก็มีเมตตาทำอย่างไรกรุณาทำอย่างไรอุเบกขาทำยังไงนะเมตตาการุณามุทิตาเนี่ยไ ม, ม่มีจิตอิจฉาเข้าสู่สภาวะพรมสมบัติก็บอกแล้วอริยสงนะ์เรียกว่าสมมติอิสง่งเรียกว่าสุปฏิปันโนสวาคาโตนะบอกหมด พุทธพจน์พุทธโอวาทคำสั่งสอนสัจธรรมวจีกรรมมนโนกรรมกายกรรมอริยสัจสี่ทุกสมุทเททุกสมุทัยนิโรธมักบอกไปหมดแล้วอยู่ในตัวตนหยุดในจิตใต้สํานึกให้เรานึกไปพึ่ปฏิบัติไปฝึกตัวฝึกตนของตัวเองเพื่อจะได้ เห็นเป็นสัจธรรมเห็นองค์สมมาตุพุทธเจ้าหลุดพ้นร่วงพ้นในความเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะรู้สึกว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆลดหน้าไปเรื่อยๆกายสอนไกลใจสอนใจสติสอนใจควบคุมใจจิตกับกายแยกกันเป็นชิ้นเป็นส่วน มองเห็นเป็นอันนิจจังอันนิจจังก็แปลว่าเป็นของไม่เที่ยงอารมณ์เราก็นั่นแหละที่มันยึดมันถึงมันไม่ได้เที่ยงตรงไม่ได้คิดอย่างเดียวไม่ได้ก็รวบรวมกําลังสติต่อเกิดปัญญาให้เป็นหนึ่งเมื่อเรารวบรวมได้มันจะแตกฉานเรียกว่าความฉลาดก็คือปัญญา เมื่อเรารู้รอบรอเชี่ยวชาญปกไปเวียนมาขึ้นสมถะสู่วิปัสนาไปพร้อมๆกันดุจ ด, ดั่งกายวิญญาณกับจิตวิญญาณสอดคล้องกันด้วยคุณงามความดีกายก็เริ่มสะอาดสดใสแววตาก็ใสขึ้นเร็บจะยาวไวผมจะยาวไวกายที่ยาวก็จะละเอียดลื่น เนื้อที่ยาบก็จะละเอียดขึ้นกระดูกที่มันมีแสงสีที่มันสกรปรกโสโครบจากสิงสาราสัตว์ที่เรากินเข้าไปเข้าไปในกระแสเลือดเลือดในร่างกายทําให้เราเนี่ยมีกายที่หยาบมีกลิ่นตัวที่เหม็นก็จะค่อยๆเบาจางลงไปสัตว์ที่เรากินเข้าไปมันอยู่ในกระแสเลือดสร้างมโนจิต เป็นเรียกว่ามาโนกรรมมโนกรรมก็คือการคิดผิดคิดเยี่ยงสัตว์เมื่อเราชดใช้พิจารณาเอี่ยมสะอาดเมื่อใจสะอาดเรียกว่าจิตสะอาดนั่นเองใจเราก็หลุดพ้นจากสภาวะกิเลสสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกายเราก็ค่อยๆหลุดไปเหมือนเราในขณะที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวร้อนตรงนั้น แสบตรงนี้เดี๋ยวคันตรงนั้นเดี๋ยวเจ็บตรงนี้เดี๋ยววูบเดี๋ยวรู้สึกเจ็บรู้สึกเย็นรู้สึกขนลุกู้สึกหนังมันสั่นมันเต้นรู้สึกมันร้อนที่ตารู้สึกคันที่หูรู้สึกคันที่หัวสิงสาราสัตว์โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ค่อยหลุดไปเหมือนหิ่งห้อยลอยไป เรารู้แล้วว่าดับตรงไหนดับที่ปลายจมูกก็คือรมที่หายใจนั่นแหละแล้เราก็รู้แล้วว่าการตายของเราเนี่ยทรัพสมบัติชิ้นสุดท้ายเนี่ยหูเราเนี่ยก็จะได้สำมรีไปสี่ห้าปั้นหมอมันเอาสำมรีอุดหูกระแทกกระแทกกันน้ำเลือดํำเหลืองออกปากที่ สวยงามแปลงปันรักษากันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยหมอมกับสาลีใส่ปากยัดเป็นวันปันก็เอาไม้กระแทกกระแทกยัดเข้าไปนะจมูกที่เราสูดดมทุกวันเนี่ยก็สาลีใส่ยัดกระแทกกระแทกเข้าไปทวานหนักของเราทวานเบาเนียหมอมกับสาลีใส่แลแ้วก็กระแทกกระแทกเข้าไป เราสูงต่ำําเที่ยวรวยมีชื่อเสียงมากมายเท่าไรเราก็ไม่พ้นกองไฟบ้านเราใหญ่โตเป็นกหามดีเป็นเศรษฐีก็ถูกสัพเพอร์มันเผาสัพเพอร์ก็คือคนที่สั ป, ปดี๋สั ป, ปดลเป็นคนที่ไม่มีอาชีพก็ต้องมาฝึกคนไม่ได้เรียนใครมีมัง่งสัพเพอร์ดอก ศาสตราจารย์ที่มาเป็นสั ป, ปะเลอก็เห็นที่มันขี้เหลาเมายาบ้างนะคนแก่บ้างที่ทำมาหากินไม่ได้เขาก็ให้ไปเป็นมรกระทายกสั ป, ปะเลอบ้างอะไรบ้างปึกปือกันไปเห็นไหมสูงแค่ไหนก็มาถูกคนเผาสูงแค่ไหนก็ถูกสมบติสัปะเลมาเก็บกระดูก ไม่เกิดอะไรไม่เห็นอะไรเลยล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหยึดไม่ได้ถือไม่ได้เหมือนร่างกายเราเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเหมือนจิตใจเราปรุงแต่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีคิดดีคิดชั่วปรุงแต่งสารพันสารพายเลยเตรละแต่ใครอยากศึกถูกฝึกใครอยากไปปฏิบัติ ก็ขอเทพชุดนี้เป็นชุดไปเลยอัดไปแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็ไปประกอบปฏิบัติย้อนหลังเอากลับไปกลับมาท่านทั้งหลายก็จะได้รู้สึกเห็นได้พบกับพระพุทธเจ้าว่าตัวอนิจจังคืออะไรตัวทุกขรัังคืออะไรนะจะได้ฝึกเปรย์ไปอย่างดี เชาวๆอย่างนี้เวลาก็เหลือน้อยแตหลวงพ่อก็รบกวนเวลาน้อยลงไปน้อยลงไปไม่มากนักมันอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่การฝึกของเราเวลาฝึกดีมันเหมือนกันนั่งไปแป๊บเดียวเวลาเวทนาทุกมันเหมือนนานแต่เหมือนเราเนี่ยลำบากกากกรรมเนี่ยไม่รู้ตัวรดตนเนี่ยนานเหลือเกิน ความสุขที่ได้กินข้าวนิดหนึง่งอิ่มแล้วความสุขที่ได้หลับแปบ๊บเดียวตื่นอีกแล้วเนี่ยความฝึกที่เราได้หัวเราะได้ยิ้มแปบ๊บเดียวเนี่ยหมดไปอีกแล้วแต่ความทุกข์ที่เราร้องไห้เนี่ยเสียใจยเนี่ยมันนานมากนี่หม่นครับค่อยๆถ อ, อ, อนสมาธิเพื่อจะได้กรวดน้ำ